แปลกจากทางบ้านนะคะบอกว่าตอนปีพศ2521ได้ไปบวชเป็นสัมมเนรอยู่ที่วัดป่าสาราวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นวัดป่าที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองถนนหนทางช่วงเวลานั้นก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวไฟฟ้าสองสว่างก็ยังไม่ค่อยถึงนะคะห่างไกลาจากผู้คนแล้วก็รถรา ผู้คนส่วนมากไม่ค่อยกล้าเข้าไปที่วัดช่วงเวลากลางคืนนี้ยิ่งไม่มีใครไปเลยนะคะผู้ที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็เพื่อนสัมมเนรได้อาศัยอยู่ที่วัดนี้นะคะราวห้าหรูปทุกทุกเย็นก็จะต้องเดินไปเรียนที่วัดศรีบุญเรืองตำบลในเมืองตั้งแต่เวลา18นาิกาถึงเวลา20นาฬิกาเป็นประจำ พอเลิกเรียนก็จะเดินกลับวัดถ้าเลิกไม่พร้อมกันก็จะต่างคนต่างกลับนะคะซึ่งผู้เล่าบอกว่าถ้าเลิกก่อนก็จะเดินกลับเพียงลำพังก็รู้สึกเฉยๆมากกว่าการกลัวเพราะว่าเดินจนชินแล้วเส้นทางระหว่างสองวัดนี้มี3ล้อปั่นรับจ้างสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายอยู่มาวันหนึ่งได้ทราบเรื่องว่ามีรถบรรทุกสิบล้อชนคนปั่น3ลอ้อเนี่ตายคาที่ ชาวบ้านก็เชื่อว่าคนที่ตายเนี่ยต้องนำศพไปฝังที่วัดจนครบห้าปีนะคะถึงจะขุดศพขึ้นมาเผาดังนั้นศพของคนถีบรถสามล้อจึงต้องถูกนำไปฝังไว้ใกล้ๆกับกุฏิที่ผู้เล่าได้บวชอยู่นะคะในขณะนั้นกุฏิของวัดป่าก็จะสร้างห่างกันแล้วก็ข้อบังคับของทางวัดก็คือห้ามอยู่ด้วยกันคือกุฏิหลังหนึ่งก็จะต้องอยู่เพียงแค่คนเดียว คืนหนึ่งนะคะหลังจากที่เลิกเรียนก็พูดเล่าติดธุระแล้วก็เพื่อนสามเณรนในวัดศรีบุญเรืองก็พูดคุยธุระกับเพื่อนเกือบสี่ทุ่มก็เลยเดินกลับไปยังวัดป่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดึกมากแล้วก่อนถึงวัดป่าราว1กิโลเมตรก็เดินมาเรื่อยๆค่ะท่ามกลางความมืดสลัวสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ดำทมึนพร้อมกับได้ยินเสียงนกร้อง ลมพัดยอดไม้หวีดหวิวชวนให้วางเวงใจนะคะก็มีการปลอบใจตัวเองแล้วค่ะว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเคยเดินไปมาคนเดียวบ่อยครั้งแต่ว่าในขณะนั้นเองนะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนปั่นสามล้อตามมาจากข้างหลังเมื่อมาถึงใกล้ๆค่ะก็มองเห็นสารถีมีผ้าโพกหัวสีแดงสะพายย่ามใบโตด้านหลังนี่มีมีดเล่มใหญ่ เขาก็เอ่ยปากทักขึ้นบอกว่าเนนจะเข้าไปในวัดป่าใช่ไหมก็เลยตอบว่าใช่ในใจก็นึกวูบไปถึงคนที่ถีบสามลอ้อที่ถูกรถชนตายเนี่ยนะคะแม้ว่าเดี๋ยวนี้ศพก็ยังฝังอยู่ในวัดคนปัน่น3ล้อก็เลยชวนให้ขึ้นรถแต่ก็ปฏิเสธไปบอกว่าจะเดินกลับเองเพราะว่าใกล้จะถึงวัดแล้วแต่เขาก็ขยันขยอบอกว่าให้ขึ้นอ่าเดี๋ยวจะพาไปส่งเอง ซึ่งตอนนั้นเขาก็เลยต้องตัดสินใจขึ้นรถ3ล้อไปแล้วก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยก็นึกสงสัยว่าเอ้เวลาเกือบห้าทุ่มสมล้อคนนี้เขาจะเข้ามาในวัดทําไมแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่คิดอยู่ในใจซึ่งตลอดทางก็ไม่ได้พูดจาอะไรกันร่ะค่ะจนใกล้ถึงจุดหมายก็เลยรู้สึกว่า3ล้อค่อยๆปั่นช้าลงช่วงนั้นก็มีต้นไม้ปกคลุมแสงสว่างจากไฟฟ้าก็เริ่มไม่มีแล้วก็จะมีแต่แสงสลัวจากดวงจันทร์แล้วก็ความเงียบเท่านั้น พอมาถึงหน้ากุฏิ3ล้ อ, อ ก, ก็ถามว่าถึงกุฏิหรื อ, อยังก็ตอบไปบอกว่าถึงแล้วเขาก็จอดให้แล้วก็ทําตามแต่โดยดีโดยที่ผู้เล่าบอกว่าค่า3ล้ อ, อเท่าไหร่คนที่ป่าน3ล้ อ, อ ก, ก็บอกว่าไม่เอาหลอกเนนโดยขณะที่ผู้ที่เล่าเนี่ยนะคะลงจากรถแล้วก็มองไปที่ใบหน้าของสารถิยามดึก ก็เห็นว่าหน้าของเขาเนี่ยดำเหมือนไม่ใช่คนเล่นเอาหัวใจเต้นแบบตุ้มๆ ต, ต่อมๆเลยนะคะแต่ก็ตอบเข้าไปบอกว่าขอบใจมากนะคุณโยมโดยก่อนจะเดินขึ้นกุฏิก็รู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้ต้องเหลียวมองไปยังคนปั่นสามล้อที่หันหลังกลับโอ้โหวินาทีนั้นคุณผู้ฟังเขาปั่นสามล้อไปที่หลุมฝังศพแล้วก็หายไปเลยนะคะ โดยผู้ที่เล่าเรื่องนี้และก็เจ้าของเรื่องนี้นี่บอกว่าตอนนั้นนี่กำลังงุนงงและก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็ได้เพราะว่าเวลานั้นมันดึกมากแล้วแล้วก็มีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสลัวเท่านั้นก็อาจจะทำให้มองไม่เห็นอะไรที่ชัดเจน เหตุการ์แปลกประหลาดในคืนนั้นเล่นเอาเจ้าตัวนี่เก็บตัวเงียบเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังหรือผู้อื่นฟังแม้แต่คนเดียวพอรุ่งขึ้นเป็นวันพระคืนนั้นก็ไปเรียนที่วัดศรีบุญเรืองตามปกติขากลับก็กลับคนเดียวเหมือนคืนก่อนปรากฏนะคะว่าได้พบกับ3า้อคนเดิมค่ะเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเหมือนกับคืนที่เจอมาทุกประการเขาก็เลยมั่นใจแล้วนะคะว่าโดนผีสามล้อหลอกหลอนเข้าจริงๆถึง2คืนติด ในที่สุดเขาก็เลยนำเรื่องขนหัวลุกเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็จะอาวาจฟังเจ้าอาวาสท่านก็เลยแนะนำบอกว่าให้กรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับวิญญาณของ3ล้อผู้นั้นโดยที่เขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำแต่โดยดีค่ะสรุปว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะเขาก็ไม่ได้เจอเจอกับ3ล้อผีสิงคันนั้นอีกเลย ก็หวังว่าวิญญาณของเขาก็คงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหายจากความทรมานนะคะแล้วก็คงจะไปสู่สุคติแล้วก็เป็นได้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปเจอเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองอยากจะรู้เหมือนกันน่ว่าวินาทีนั้นจะทำหน้าตายังไงคุณผู้ฟังจะวิ่งหรือคุณผู้ฟังจะขึ้น3ล้อแต่โดยดี มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของดอยอาถันค่ะท้องถิ่นบ้านล้านนานในอดีตเนิ่นนานมาแล้วล้วนแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ใหญ่ลำสูงขึ้นเบียดเสียดแน่นหนาอยู่ทุกภูดอยนะคะป่านี่เรียกว่าจะมีมากกว่าคนคนนี่จะมีจำนวนน้อยกว่าค่ะจึงต้องนอบน้อมให้กับป่าใหญ่ดงหนาอันมีแต่สิ่งลี้ลับค่ะนะคะ ชาวบ้านพื้นถิ่นต่างก็เชื่อถือแล้วก็เคารพย้ำกระเลงในความอาถรรพ์ของป่าดงพงไพราหากต้องย้ำกรายเข้าไปก็ต้องมีการเส้นสวงสังเวยเพื่อบอกกล่าวถึงจุดประสงค์กับเจ้าเขาอันรักษาผืนป่าแล้วก็ต้องรักษาสัตว์จะอันได้กล่าวไว้ข้างต้นตลอดเวลาที่อยู่ในป่าเช่นหากกล่าวว่าขอยิงสัตว์ไปเลี้ยงทองเลี้ยงไส้สักหนึ่งตัวแต่พอยิงได้ตัวหนึ่งแล้วยังยิงเพิ่มอีกก็มักจะเจออาถรรพ์ต่างๆ บางคนก็เจอเรื่องที่หนักหนาถึงขนาดต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางป่ากลายเป็นผีเฝ้าป่าไปก็มีนะคะมีพรานกลุ่มหนึ่งค่ะได้เดินป่าล่าสัตว์รอนแรมอยู่หลายมื้อหลายวันจนกระทั่งเดินลึกเข้าไปในป่าใหญ่ ต้นไม้ก็เริ่มเป็นลำต้นขนาดใหญ่หลายคนโอบขึ้นอยู่หนาแน่นแผ่กิ่งก้านใบนะคะปกคลุมกั้นอยู่หนาทึบแสงแดดแทบจะส่องไม่ทะลุเลยล่ะคะ่ะหากว่าเดินกลางวันนะคะก็จะมืดเหมือนตอนเย็นบรรยากาศก็เลยค่อนข้างจะเย็นตลอดเวลา พรานก็เลยตกลงกันว่าจะหาที่พักเอาแถวแถวนี้เพราะหากว่าเย็นไปกว่านี้แล้วถ้ายังไม่ได้ที่พั ก, กเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยพากันเดินลึกเข้าไปเพื่อหาทําเลที่เหมาะสมจนกระทั่งทางก็เริ่มที่จะชันขึ้นทางลัดเลาะผ่านต้นไม้ไปข้างหน้าก็จะเห็นภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งนะคะตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นดอยโทนแปลกอยู่ตรงที่ต้นไม้ใบไม้สีเขียวเข้มคล้ํามากกว่าบริเวณรอบๆ หัวหน้าพรานก็พยักหน้าให้เป็นที่รู้กันว่าจะไปพักที่ดอยทนลูกข้างหน้านั้นซึ่งหนวทางสูงชันจนต้องใช้มือจับต้นไม้แล้วก็เหนี่ยวตัวขึ้นไปเป็นระยะนะคะเดินยากไปยากจนกระทั่งทะลุเข้าเขต ด, ดอยประหลาดรู้ได้เลยนะคะจากต้นไม้กับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อมาถึงที่หมาย หัวหน้าพรานก็ไม่ลืมที่จะจุดทูบขอขมาบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านมาเพื่อล่าสัตว์ขออยู่พักอาศัยเพียงชั่วคืนขออันตรายใดๆเกิดจากสัตว์หรืออาถรรพ์ใดๆอย่าได้เกิดกับพวกข้าพระเจ้าเลยว่ายแล้วก็ปักทูบลงดินนะคะพร้อมกับวางเครื่องส่งเวยไม่ว่าจะมีดอกไม้นะคะที่ได้มาจากป่านี่แหละที่พอหากันได้แถวๆนั้น เมื่อเลือกเอาต้นไม้ที่จะสร้างนั่งร้านอยู่ข้างบนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่บางคนก็ไปฟันไม้ทำนั่งร้านค่ะบางคนก็จัดแจงหาฟืนพวกหาฟืนนี้ก็เดินอ้อมดอยไปอีกทางหนึ่งเก็บไม้แห้งตรายทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับอะไรบางอย่างลักษณะก็คือเหมือนถ้ำนะคะทุกคนก็ไม่รอช้าล่ะค่ะเอาฟืนมากองรวมกันแล้วก็เดินไปเพื่อที่จะสารวจถ้าทันที เมื่อทีมหาฟืนเดินทางมาถึงปากทางเข้าถ้าทุกสายตาก็มองสํารวจเข้าไปแต่ก็ต้องประหลาดใจและนะคะเพราะว่าลานดินหน้าถ้ำเนี่ยสะอาดเรียบโลง่งไม่มีต้นหญ้าสักต้นหรือแม้แต่ใบไม้สักใบเหมือนมีใครมาปัดกวาดไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนเริ่มเดินผ่านลานเข้าไปสํารวจอย่างระมัดระวงังบ้านก็ยกมือไหว้บ้านก็ท่องบนคาถาอยู่งึมงําเมื่อเข้าไปภายในถ้ำไม่กี่เมตรที่ผนังถ้ำ มีอะไรบางอย่างถูกแขวนอยู่เป็นแนวยาวค่ะก็ค่อยๆลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่านะคะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นสล้อซึ่งคลุยแล้วก็อุปกรณ์ทอผ้าอย่างาเพียนปั่นฝ้ายนะคะก็ถูกแขวนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถัดเข้าไปในถ้ำไม่ลึกมากก็จะมีพวกถ้วยมีจานมีชามกระทะใบบัวแล้วก็อุปกรณ์ทาครัวค่ะ ทุกอย่างก็คือทำมาจากทองเหลืองแล้วก็ดีบุกต่างคนต่างตกตะลึงคิดไม่ถึงนะคะว่าในป่าลึกขนาดนี้จะมีใครเอาของอย่างนี้มาเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชา ม, มีทั้งกระเบื้องเคลือบแล้วก็มีโลหะมีค่ายากที่ชาวบ้านสามัญจะมีไว้ครอบครองลานดินพื้นถ้ำก็สะอาดเหมือนมีคนดูแลเป็นอย่างดีพรานคนนึงค่ะพอมีฝีมือทางดนตรีก็เลยลองปลดซึงจากผนังถ้าลงมาดีด เสียงซึงดังกล้องกังวานนะคะมุวนเพาะเสนหูติดอกติดใจก็เลยถือวิสาสะละค่ะหยิบติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหมายใจว่าจะเอามาดีดเล่นสักคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาไปคืนพอนายพรานมารวมตัวกันหุงหาอาหารนะคะฝ่ายสำรวจที่ไปหาฟืนก็เลยเริ่มเล่าถึงสิ่งที่ไปพบมาอย่างตื่นเต้นพร้อมกับเอาซึงที่เอามาจากถ้าเนี่ยมาดีดอวดเล่าเพื่อนพราน เมื่อได้ฟังต่างก็พากันตื่นเต้นค่ะคำถามคำตอบสวนกันพันละวันระเบงเซงแซ่ไปหมดยิ่งฟังไปฝ่ายที่ไม่เห็นก็ยิ่งอยากจะเห็นก็เลยบอกกันกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องออกไปดูให้เห็นกับตาให้ได้แต่ว่าพรานที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่ทำท่าทางหนักใจไม่มีคำถามแล้วก็ไม่พูดอะไรพอตะวันรับฟ้าไปความมืดก็เริ่มปกคลุมนะคะ เหล่าพรานปีนป่ายง่ามคบไม้ใหญ่ขึ้นไปนั่งร้านอยู่ข้างบนบางคนก็ดูดบุหรี่บ้างนะคะบางคนก็พนมมือสวดมนต์สักพักหนึ่งก็พากันเอนกายลงนอนงอเข่าซุกตัวใต้ผ้าขามา้าผืนบางในป่าดิบแบบนี้ยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งเย็นลงค่ะเสียงจิ้งหรีดเรไรส่งเสียงเหมือนขับกล่อมให้นอนหลับนอนดีลมหายใจทอดยาวสม่าเสมอทุกคนหลับลึกเหมือนอยู่ในผวา เวลาในป่ายามค่ำคืนดูแสนเนิ่นนานเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหูได้ยินเสียงแววแววแผ่วจางจับต้นทางได้ไม่ค่อยชัดเจนได้ยินเสียงเหมือนคนแห่ค้องตีกลองกังสดานมีเสียงคนโหดร้องอย่างเอิ ก, กเกริกสนุกสนานพรานคนหนึ่งก็สะดุ้งลืมตาตื่นขึ้นมาตั้งใจฟังว่าหูไม่ฝาดแน่ๆก็เลยค่อยๆปลุกคนอื่นให้ลุกขึ้นมาฟังด้วย เสียงแขกประคมดังขึ้นเรื่อยๆค่ะหมายจับเอาทิศทางไม่ได้บางทีก็เหมือนดังอยู่ใกล้ๆบางทีก็ดังไกลออกไปเสียงผู้คนมากมายโหดร้องเหมือนว่าวัดมีงานฉลองเสียงผู้คนคุยกันจอแจแต่ว่าฟังไม่ได้สับเดี๋ยวดังขึ้นบ้างเดี๋ยวเบาลงบ้างจนกระทั่งค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดนะคะ พานทั้งแก่ทั้งหนุ่มต่างก็นั่งกอดเข่านิ่งตะลึงเงนินหนึ่งในพรานอดสงสัยไม่ได้ก็เลยกระซิบถามเพื่อนนะคะบอกว่ามันเสียงอะไรกันอีกคนก็เลยตอบนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งถามตอนนี้ให้รีบนอนดีกว่าเมื่อเพื่อนปรามแบบนี้ก็เลยนอนลงอีกครั้งหลับตาแต่ว่าในใจก็ยังคงตื่นอยู่หูยังได้ยินเสียงใบไหม้หล่นนะคะอย่างชัดเจนพลันเสียงนั้นก็ดังมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ ไม่ใช่เสียงประคมของกองค่ะแต่เป็นเสียงร้องไห้วิเวกหวยหวนเศร้าโศกสร้องแบบเวทนาเหมือนกับจะขาดใจเสียงพูดหนึ่งพอฟังออกเป็นคำแต่ว่าหน้าขนลุกได้ยินแต่บอกว่าเอาตายเอาตายนะคะทุกคนได้ยินแต่ว่าไม่มีใครกล้าลุกค่ะได้แต่นอนฟังเสียงนั้นอย่างขวัญผวาพอถึงรุ่งเช้าพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าสีส้มๆแดงแดงยังไม่พ้นขอบเขา แสงก็ยังสลัวพอให้เห็นลายมือก็เลยพากันไต่ลงมาจากห้างทีละคนแล้วก็มาปรึกษากันด้านล่างต่างก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเอาซึงมาจากถ้ำนั้นติดมือมาอย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเดินกลับไปที่ถ้ำนั้นเพื่อที่จะเอาซึงไปคืนแต่ว่าพอไปถึงปากถ้ำค่ะใจคอมันติดตันไม่อยากจะเข้าไปซะเลย ค่อยๆ ย, ย่างค่อยๆก้าวอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาอยู่ตรงผนังถ้ำที่เดิมที่ที่มันเคยแขวนอยู่ก็เลยจัดการเอาซึ้งห้อยคืนแล้วหัวหน้าพรานก็เลยพาทุกคนกล่าวคำขอขามาพอกล่าวคำขอขามาเสร็จนะคะก็มีลมพัดเข้ามาในถ้ำวูบใหญ่กลิ่นเหม็นสาบเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าลอยเข้ามาค่ะพรานที่เป็นหัวหน้าก็พูดว่าเขาคงไม่พอใจที่เอาของของเขาไปเล่น เดินกลับออกจากถ้าด้วยความเงียบงนันต่างฝ่ายต่างก็นิ่งไม่พูดอะไรแล้วก็จัดการเก็บข้าวของของแต่ละคนเพื่อเดินทางกลับตลอดทางไม่พบเจอตัวเนื้ออะไรเลยนะคะทั้งกลุ่มกลับถึงหมู่บ้านมือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรกลับมาฝากลูกฝากเมียเป็นที่น่าแปลกมากๆทั้งหมดก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามกับพ่อเฒ่าพรานแก่วัยกว่านะคะว่า สิ่งที่ไปพบมานั้นมันคืออะไรเมื่อพอเท่าได้ฟังจบท่านเองก็มีสีหน้าตกใจพร้อมกับบอกว่าสูทั้งหลายไปเจอมาได้อย่างไรสถานที่นั้นเป็นที่บกควรไปบกควรหันมันเป็นอย่างไรพ่อเท่าผรานก็ถามกลับไปพอเท่าก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมันมีชื่อเรียก ต่อๆกันมาบอกว่าดอยคูบดอยอาถันอันเจ้าพระยาตนเก่าแก่ในอดีตการเนี่ยมีมานานหลายร้อยปีแล้วได้เอาของของท่านมาเก็บรักษาไว้คำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าพระยาท่านฝากคำไว้ว่าหากบ้านใดมีงานฉลองต้องการจะใช้สอยเครื่องค้องประโคมหรือว่าเครื่องครัวอื่นใดก็ไปเอามาใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเสร็จแล้วต้องเอาไปคืนเหมือนเดิม เมื่อก่อนเคยมีคนที่มีศิลธรรมคืนข้าวของครบทุกชิ้นแต่พอนานนานไปมันก็เกิดมีคนโลภแอบซ่อนของไว้ที่บ้านไม่ยอมส่งคืนคนผู้นี้อยู่ไม่นานก็นอนตายเหยียดยาวไม่รู้สาเหตุว่ากันว่าท่านเกลียดคนไม่ซื่อเมื่อใครคิดขโมยของของท่านไปท่านก็เลยจะเอาถึงตายตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปยืมของที่ใช้จากที่นั่นอีกเลย สถานที่เหล่านี้ก็เลยถูกเก็บไว้เป็นความลับตายไปกับผู้เฒ่าผู้แก่แม่ม่อนจนไม่มีใครรู้จักนี่ดีว่าพวกแกเอาของท่านไปคืนนะหากว่าไม่เอาไปคืนก็คงจะกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปซะทุกคนแล้วพ่านทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นค่ะก็นิ่งอึง้งตะลึงงานกับคำตอบของพ่อเฒ่าขนหัวลุกขนแขนลุกนึกว่าตัวเองบุญหนักห น, กหนาที่รอดชีวิตกลับมาได้ ตั้งใจว่าตลอดชีวิตพรานนี้จะไม่ย่ำกรลายไปในสถานที่แห่งนั้นอีกเลยคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ได้ยินเรื่องนี้มาก็นึกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่แล้ววันหนึ่งคะ่ะก็มีคุณยายทางภาคเหนือเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยเมื่อ30ปีก่อนคุณยายปลูกบ้านอีกที่หนึง่งแล้วก็ไปอยู่ใหม่ๆพอตกกลางคืนก่อนวันพระ มักจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลอง <S <S ประคมกันสนุกสนานฟังดูไกลดังมาจากภูเขาด้านตะวันตกซึ่งวัดแถบนี้ก็ไม่มีใครเข้าแห่งานกลางคืนกันเลยสักวัดมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องปกติวิสัยก็เลยถามคุณยายกลับไปบอกว่าแล้วมันเสียงอะไรกันคุณยายคุณยายก็เลยบอกว่ามันมาจากดอยคูบคนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นคาตอบจากคุณยายก็เล่นเอาขนลุกทั้งตัวเหมือนกันนะคะ ตำนานบางเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่คนสมัยเก่านะคะเชื่อแบบฝังจิตฝังใจแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนี้สมัยใหม่นี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่จะไปบังคับให้คนรุ่นใหม่ๆเชื่อตามตำนานโบราณค่ะ